สาสุทัศนิกสูตรว่าด้วยอาณาปานสติล้วนเก้าภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุจเจริญทําให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสง์มากอาณาปานสติที่ภิกษุจเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสง์มาก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 สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุจเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงมาก